ชอบชเบเือนเราก็อยากมีผ้าริยะเยอะๆถ้ามีเยอะๆวันหนึ่งเราจะได้บ้างบางที่เขาชอบตั้งนะคนนี้ได้โสดาสกทาคาบางที่บอกหอยเป็นพ้าระหันฟังแล้วงงมากเลยหอยทำไมเป็นพ้าระหันหอยไม่มีความอยากเนไหนไม่อยากอย่างนี้ก็ได้ <laughs> อ้าวต่อไปตรวจกันบ้านคนที่อยู่วัดเชิญกลับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านคะ่ะ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 กำลังมัวรู้ว่ามัวรู้ด้วยความเป็นกลางก็ใช้ได้แล้วนะแล้วพักนี้เหมือนจิตมันงองแงค่ะหลวงพ่อไม่ค่อยยอมภาวนาค่ะจิตมันจะขี้อ่อนนะให้รู้ทันรู้สึกแม้มอยากให้หลวงพ่อปลอบอยากให้มีกองเชียร์อย่างเงี้ยให้รู้ทันมันไปหลวงพ่อไม่ค่อยปลอบใครเราส่วนมากชอบซ้ําเติม <c oughs> ปกติตามดูตามรู้จิตเอาค่ะแต่พอมาอยู่วัด น, นี่มาหัดภาวนาเราก็เลยรู้สึกแข็งแข็งที่ทอย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 หัดดูความรู้สึกของเราไปอย่างนี้เรื่อยๆอ้าวพูดไปมีอะไรก็ว่าไปก็บางครั้งเวลาเราดูแล้วบางครั้งเรารู้สึกว่าเราแปลกแยกกับตัวเองอะค่ะอืมไม่เป็นไรงั้นก็ดีแล้วมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะแต่ต้องดูอย่างสบายๆนะของคุณน่ใช้ได้แล้วล่ะนี่มันติดประคองไว้นิดเดียวที่ดูอยู่นี่ใช้ได้แล้วถ้ายังประคองอยู่เนี่ยยังไม่เกิดอริยมรรคในขณะนี้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 เคยมาสามครั้งแต่วันนี้เป็นถามหลวงพ่อเป็นครั้งแรกแนะค่ะนรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปมันโปร่งโล่งเบากว่าแต่ก่อนนะนั่นแหละดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปดูอีกเบอร์รสี่สิบสาม้งหลังกราบนรรมสการหลวงพ่อครับคือผมเป็นโรคสมาธิสั้นครับขี่ลืมด้วยครับแล้วก็เคยไปฝึกกรรมฐานฮะ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 เบอ71กับนำ้ำมการหลวงพ่อค่ะมาวัดที่นี่ครั้งแรกนะคะก็ฟังซีดีท่านสามม้วนหลัง25 26 27เอ้ย24 25 26่อะคะ่ะก็เมื่อก่อนปฏิบัติแบบสมถะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเห็นจิตชัดเจนขึ้นนะคะดีสิไม่ทราบหลวงพ่อเห็นกิเลสเกิดไหวไหมเห็นค่ะยิ่งไหวยิ่งดีค่ะนะเราไม่ได้พานากลัวกิเลสหร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 กระทั่งใจที่เป็นตัวรู้นี่ก็ยังไม่เที่ยงอีกเจ้าค่ะถ้าเรายังเห็นว่าตัวใดตัวหนึ่งเที่ยงอยู่นะยังจะไม่ได้ธรรมะเจ้าค่ะดีนะโยมโมทนาด้วยพอนาขนาดนี้ไม่เป็นไรแล้วนะตายก็ตายเจ้าค่ะตายก็ตายดีแล้วล่ะโยมก็คิดเช่นนั้นก็เลยเฉยเฉยใช่หลวงพ่อก็คิดเช่นนั้นเมื่อหกสิบเจ็ดพ o r าดีนะของโยม